you <laughs> การพระกุณเจ้าที่กรลบแล้วก็ขอคลวะนะต่อพระกุณเจ้าที่มาร่วมฟังธรรมแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทั้งอาสาสมัครทุกๆคนที่ได้ยินเสียงนี้ขอให้ได้รับบุญร่วมกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งถือว่าเป็นวันที่สองของการปฏิบัติธรรมของเรา เป็นยังไงบ้างยังอยู่กับปัจจุบันอยู่ไหมร่างกายอยู่ที่วัดนี้ใจก็ต้องอยู่ด้วยกันนะเนี่ยปล่อยวางบ้านปล่อยวางงานปล่อยวางครอบครัวเอาไว้ข้างนอกก่อนอันนั้นไม่ใช่เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องความคิดซึ่งเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้หรอกมันเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคต ในโลกปัจจุบันเนี่ยตั้งเดี๋ยวนี้ที่นี่ณนะสถานที่แห่งนี้รู้สึกอึดอัดไหมที่ว่ากฎระเบียบห้ามคุยกันบางคนรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยสบายใจนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเรามีทางออกนะเขาห้ามไม่ให้คุยกันแต่เขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เรายิ้มให้กัน ยิ้มให้กันเนี่ยมันไม่ผิดหรอกผมจะบอกประโยชน์ของการที่ไม่ต้องคุยกันได้อยู่ข้อหนึ่งคือเวลาที่เราจะคุยปั๊บสติมันจะมาทันพอสติมาว่าอ๋อเขาไม่ให้คุยกันอันนี้ถือว่าเรามีสติแล้วการควบคุมจิตใจไม่ให้มันคุยนี่แหละูุที่ควบคุมเนี่ยก็คือสติ สติคือสิ่งที่เรากำลังฝึกอยู่ทุกวันนี้แหละมันช่วยเราได้มีสติมากยิ่งขึ้นไงท่านยังมีโอกาสที่จะคุยกันได้หลายๆครั้งหลายๆหนเพราะว่าเป็นคนที่มาอยู่ในคอร์สเนียเป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันทั้งนั้นแหละไมมีโอกาสคุยกันได้แต่ผมเนี่คุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยนะผมก็สายภาษาพูดโดยการยิ้ม การยิ้มเป็นการผ่อนคลายระดับจิตใจไม่เคร่งเครียดแม้ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เรายิ้มให้คือว่าเป็นภาษาจิตคนที่รู้สึกอึดอัดในจิตใจเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของอาการของจิตทุกครั้งที่มันอึดอัดไม่สบายใจหรือมีความอยากคุยให้มีสติรู้รรมในอาการเหล่านั้นถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้ว มันอยากคุยทีไรให้มีสติรู้ทันมันอยากคุยกี่ครั้งสติรู้ทันทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยถือว่าเราเป็นการเพิ่มเพิ่มคะแนนของสติอยู่เรื่อยๆช่วยโอกาสเลยถือว่าเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้จักเข้มแข็งเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ยิงใจเราหรอกให้เราสติรู้ทันเถอะเราจะเข้าใจจิตใจเรามากยิ่งขึ้น ให้เราเฉยโอกาสทุกครั้งที่จิตใจ อ, อึดอัดขัดเคืองหรือเกิดกิเลสอยากจะพูดขึ้นมาเนี่ยเวยโอกาสเปลี่ยนเป็นสติรู้ทันซะ mm hmm. เขาเรียกเปลี่ยนร้ายให้กลายมาเป็นดีได้ mm hmm. การทำอย่างนี้ได้เนี่ยการทำใจแบบนี้ได้ถือว่าเราฉลาดในกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราเราเสียเปรียบกิเลสมานาน ตอนนี้เราจะขอได้เปลี่ยดบ้างคือรู้ทันแล้วก็ไม่ทําตามและเราจะรู้ว่าเราเอาชนะใจตัวเรเองได้ไม่เป็นไรเนาะยิ้มซ่ากระจบหมดปัญหาเรามาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราทําอยู่ก็คือเรื่องการเจริญสติเนี่ยการเจริญสติใน เ, นเรื่องของคนทุกคนที่อยู่ที่นี่คนที่ไม่มีสติคือคนที่ ตายไปแล้วคนเมาคนหลับคนสลบและคนตายบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ไม่มีสติตางั้นเพราะว่าไม่มีความรู้สึกตัวเลยว่าเรายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้สักเกต ด, ดูเวลาเราหลับเนี่ยเรารู้สึกตัวไหมคนที่ดื่มสุราเมาดื่มเมาไทยเรารู้สึกตัวไหม คนที่เมาคือคนที่ไม่รู้สึกตัว ค, คนที่ขาดสติเหมือนคนที่ตายไปแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยยังมีความรู้สึกตัวยังมีสติอยู่ถือว่ายังมีชีวิตอยู่คนตายไม่มีสติแล้วเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านตัดไปว่าสติเป็นเครื่องที่ตื่นอยู่ในโลกสติเป็นสิ่งที่ตื่นอยู่ในโลกคือตื่นจากอะไร ตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความคิดตื่นจากความหลงคำว่าตื่นเนี่ยก็คือการแยกออกมาดูออกมาเห็นอย่างเรานั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละถ้าเรามองทางซ้ายทางขวาเนี่ยเราจะเห็นเพียงแค่คนซ้ายขวาของเราท่านั้นยังไม่ได้เห็นทั้งหมดนี่คือการยังไม่ตื่นสมมตินะ การที่เราคำว่าตื่นเนี่ยคือการแตกตัวแยกตัวออกมาเห็นรอบๆบตัวเราคือกลายเป็นผู้ดูลอบรอบตัวเราสมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เรามองได้แค่รอบตัวเรานี่ถือว่าเรายังไม่ตื่นแต่ถ้าเรายืนขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นหมดทั่วเลยนี่คือการตื่นคือการจิตที่มันแตกออกมาเป็นผู้ดูผู้เห็น เช่นเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยจิตที่ยังไม่ตื่นเนี่ยเราจะเข้าอยู่ในความคิดทันทีเลยนั่นคือจิตยังไม่ตื่นหลับไหลอยู่กับความคิดถ้าเราจะระเสะติบ่อยๆจิตมันจะตื่นคือแยกตัวมาจากความคิดกลายเป็นผู้เห็นความคิดไม่ได้เข้าไปเป็นผู้คิดนี่คือจิตที่ตื่นตัวเข้าใจไหมจุดนี้ คือการตื่นออกมาจากความคิดเป็นผู้เห็นซะเมื่อจิตตื่นออกมาจากอารมณ์ตื่น อ, อมาจากความคิดเนี่ยจิตก็เป็นอิสระไม่มีความคิดปรุงแต่งจิตเป็นอิสระคือกลายเป็นผู้ดูผู้เห็นไปเขาเรียกว่ามันจะเกิดความเบิกบานอยู่ในจิตใจเราจะเข้าใจตรงนี้ไห้เรื่องของจิตเรื่องของตัวเราแท้ๆเลยพอเรารู้ทันความคิดเนี่ยจิตมันก็ตื่นออกมาจากความคิด มันก็ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้คิดจิตก็เป็นอิสระนั่นคือความเบิกบานนี่แหละที่เรามาเจระสติเพื่อให้เห็นตรงนี้เพื่อให้จิตมันตื่นให้จิตมันตื่นตัวเนีย่ยเราจรึงมาเจระสติกันอยู่ทุกวันนี่แหละอันที่จริงเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มันก็มีสติอยู่แล้วละ่ะมีความรู้ตัวอยู่แล้วละ่ะ โดยสัญชาตญาณของการที่เกิดมามันติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดแล้วสติเนี่ยแต่มันยังเป็นสติที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นสติตามสัญชาตญาณสติหิวข้าวสติปวดเมื่อยสติง่วงนอนทุกคนมีอยู่แล้วสติเนี่ยมันยังดับทุกข์ให้กับเราไม่ได้มันจึงเป็นสติที่มี ตัวตนของเราอยู่ยังว่าเราปวดเราเมื่อยเราหิวเราง่วงคือมีสติที่ยังมีตัวตนยังมีกิเลสยังดับทุกข์ไม่ได้สติเนี้ยมีแพนด้าก็มีนะสติที่เกิดมากับสัญ ญ, ญาณเนี่ยมีแพนด้าก็มีแมวก็มีม้าก็มีทั้งคนและสัตว์มีเหมือนกันหมด ไปแล้วเรารู้สึกปวดเมื่อยเราจะบอกว่าเราปวดเราเมื่อยเราหิวเราทุกข์มันมีเราทั้งนั้นนี่คือสติที่ยังไม่พัฒนา<ม>คือยังมีตัวตวนมีความยึดมั่นถือมั่นความเป็นเราอยู่สติที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเราพอปวดเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อย เป็นผู้เห็นความปวดเมื่อยเวลามันเกิดความง่วงเราก็ไม่ได้ไปเป็นผู้ง่วงเป็นผู้เห็นความง่วงรู้สึกง่วงไหมตอนนี้รู้สึกง่วงบ้างไหมความง่วงเป็นเราหรือเราเป็นผู้เห็นความง่วงกันแน่ถ้าเอาความง่วงเป็นเราเราก็ต้องหลับแต่ถ้าเราเห็นความง่วงจิตมันออกจากความง่วง มันก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาในความง่วงได้วิธีการแก้ความง่วงเนี่ยไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มันง่วงไม่ห้า ม, มให้มันง่วงแต่ให้เห็นความง่วงความง่วงเป็นธรรมะเราห้ามไม่ได้แต่เราจะทำยังไงที่จะเอาจิตออกจากความง่วงให้ได้อันนี้คือหน้าที่ของเราถ้ามาเกิดความง่วง ถ้ารู้ว่ามันง่วงเราก็มีสติแล้วถ้าเราพาจิตออกจากความง่วงโดยการทำตาตโตๆเราก็มีสติในการที่จะพาจิตออกจากความ ง, ง่วงมาอยู่กับการทตาตาโตๆมองไกลๆเอาจิตออกจากความง่วงให้ได้โดยใช้สติสติธรรมะที่รู้ทันความ ง, ง่วงปัญญาคือผู้ที่แก้ปัญหาเอาจิตออกจากความง่วงนั่นคือสติคือปัญญา วิธีการออกจากความง่วงเนี่ยเราต้องคิดหาวิธีเอาเองไม่มีใครบอกเราได้เราต้องหาวิธีออกจากความง่วงให้ได้ด้วยตัวเราเองความง่วงไม่ได้มาให้เราหลงไม่ได้มาให้เราเป็นทุกข์เนี่ยแต่เราม า, มาเพื่อให้เราได้รู้ตัวให้เรามามีสติเท่านั้นนี่ถ้าเกิดความง่วงขึ้นมาเราก็มีสติรู้ทันแล้วก็ยิ้มเนี่ยหายใจเข้าลึกๆหายใ จ, จยาว เราก็ได้สติแล้วก็พาจิตออกจากความง่วงได้นี่คือเกิดปัญญาก็ตบหน้าตบตาเบาๆตบเบาๆหน้าเรามันจะได้หายง่วงเวลาเกิดความง่วงเวลาขณะที่กำลังปฏิบัติอย่าไปตามๆความง่วงมันจะเกิดความเคยชินมันจะเป็นนิสัยเพื่อนไหวแรง เ, เริ่มต้นใหม่เอาใหม่ทําใหม่การเริ่มต้นใหม่เอาใหม่ทําใหม่แสดงว่าเรามีสติแล้วอย่าให้เสียท่าความง่วงพยายามหาทางออกจากความง่วงให้ได้ด้วยฝีไม้ออะไรมือของเราเราจะได้ที่พึ่งความง่วงมีตัวตนไหมหน้าตาเป็นยังไงความง่วงมันแน่นอนไหมเหม่ง่วงเลยทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่า เข้ามาให้เราได้รู้ว่าอ๋อความง่วเป็นของเกิดดับเป็นของไม่มีตัวตนอยู่จริงอย่าให้มันหลอกเราทุกครั้งที่มันง่วงให้รู้ทันแล้วก็หัวเลาะเยาะมันซะเดี๋ยวมันก็จะหายไปที่จริงทุกคนมีสติอยู่แล้วมีสติอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องพยายามพัฒนาให้มันเข้มแข็งให้มีกำลังมากขึ้นการเจริญสติเนี่ยง่ายเพราะว่าเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้มันเจริญเติบโตขึ้นเวลาเราเริ่มต้นจารสติเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นที่กายก่อนเริ่มจากการรู้กายเคลื่อนไหวก่อนเอาตัวนี้ชำนาญก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความคิดเคลื่อนไหวกายให้รู้สึกตัวพริกมือรู้สึกตัวเดินยังกไม่รู้สึกตัวเอาตัวนี้ให้มันชำนาญอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความคิดแต่ไม่ห้ามความคิด อย่าไปตั้งใจคิดอย่าไปตั้งใจคิดให้มารู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวตรงนี้ก่อนถ้ามันจะเกิดความคิดให้มันคิดขึ้นมาเองแต่เราอย่าไปสนใจมันเนี่ยมาตั้งรู้อยู่ที่กายกำลังเคลื่อนไหวการเจริญสติเนี่ยไม่มุ่งกับความสงบนะอย่ามุ่งกับความสงบให้จิตมันตื่นรู้เน้นที่ความรู้สึกตัวถ้าจิตมันสงบให้เรา รู้สึกตัวไม่ห้ามจะให้รู้สึกตัวสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้อันนี้คือการรู้สึกตัวการจริตสติบ่อยๆรู้กายเคลื่อนไหวในการนั่งสร้างจังหวะรเรื่อนยงกลมรู้บ่อยๆเนี่ยสติมันจะพาสมาธิมาสู่จิตใจเราถ้ามีสติต่อเนื่องมันจะเกิดสมาธิทำให้จิตตั้งมั่น จิตจะมีน้ำหนักสมาธิทําให้จิตมีน้ําหนักไม่เบาแล้วก็เลื่อนลอยไปกับความคิดหรือไปกับอารมณ์ต่างๆการที่จิตเราไปคิดบ่อยๆไปง่วงหรือไปทุกข์บ่อยๆเนี่ยเพราะจิตเราเนี่ยมันขาดสมาธิจิตมันเบามันไม่มีน้ําหนักถ้าจิตมีน้ําหนักนจิตจะตั้งมั่นกลายเป็นผู้ดูถ้าจิตมัน ตั้งมั่นอยู่ที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเห็นนะมันจะเป็นผู้เห็นธรรมะในขั้นสูงๆกว่านั้นอีกจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูเนี่ยแต่ว่าจิตมันมีกำลังกำลังสติกำลังสมาธิที่เราฝึกกันต่อเนื่องเนียนะธรรมะที่สูงขึ้นไปเนี่ยคือเราจะเห็นทุกขเวทนาหรือสุ ข, ขเวทนาที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราธรรมะชั้นสูงคือการ เห็นเวทนาเห็นเวทนายทุกเวทนาโดยที่เราไม่ได้เข้าไปเป็นแต่กลายเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูเห็นทุกเวทนาเพียงแค่เห็นแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นเนี่ยคือจิตที่มีกำลังธรรมะสูงขึ้นมาอีกคือเห็นความคิดแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้คิด เห็นเฉยๆเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะที่ขั้นสูงขึ้นเราตั้งเห็นการเกิดดับขึ้นมนด้วยนะเนี่ยก็เพื่อว่าเราเริ่มต้นจากการรู้กายเคลื่อนไหวนั่งโยมือสั้นจังหวะโดยจะกรมให้ต่อเนื่องเราจะเห็นธรรมะที่ขั้นสูงขึ้นไปอีกเราจะฟังและดูมันจะยากแต่ไม่เป็นไรหรอกเราเริ่มต้นจากสิ่งที่มันง่ายเนี่ยโดยการเวลาเริ่มปฏิบัติเนี่ยเราจะเพิ่งไปคิดอะไร อย่าไปกลัวผิดอย่าไปกลัวว่าจะไม่ได้อะไรนั่นคือความคิดนหนลองวางมือและเตรียมตัวทำท่า ย, ยกมือขึ้นไหวให้ดูสิเดี๋ยวจะชี้ดูว่าตรงไหนที่สติมันเกิดเอาวางมือสองข้างทำตัวสบายๆเอ้นหน้าเมื่อกี้มันเครียดเหลือเกิน ตอนนี้เป็นเวลาที่ผ่อนคลายไหนลองพลิกมือขวาตะแคงรู้สึกตัวยกมือ <Join> ร <the peso again> ู้มือเข้ารู้เอาใหม่เอาใหม่เวลาเคลื่อนไหวเนี่ยให้เคลื่อนเป็นจังหวะพริกและรู้เคลื่อนเป็นจังหวะมีการเคลื่อนแล้วก็มีการหยุด มีการเคลื่อนและมีการหยุดรู้เป็นขณะขณะ<ม>เคลื่อนเป็นจังหวะเอาไป น, นะมันมีการเคลื่อนพอเคลื่อนหยุดรู้ <Okay. S 1> พลิกมือเคลื่อน <Okay. S 1> หยุดรู้เนี่ยยกหยุดรู้เอามือข้าว รู้เลื่อนมือขึ้นมารู้เอามือลงรู้ความมือเหมือนกันทุกครั้งที่เวลาเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะรู้ตอนเคลื่อนก็ได้จะรู้ตอนหยุดก็ได้ <Okay. S 2> แล้วแต่ว่าเราจะรู้ทันในตอนไหนแล้วแต่ว่าเริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้าเรารู้ตอนหยุดก็ใช้ได้ บางทีสติมันมากขึ้นเนี่ยแม้แต่เคลื่อนก็รู้แม้แต่หยุดก็รู้แล้วแต่สติมันจะพัฒนาขึ้นไปเราจะรู้ตอนเคลื่อนก็ได้รู้ตอนหยุดก็ได้แล้วแต่สติมันจะเกิดชัดในตอนไหนเอาตรง น, นั้นแหละเป็นตัวที่รู้สึกตัวเทคนิคคือการเคลื่อนและหยุดเคลื่อนและหยุดตัว น, นี้แหละมันทำให้จิตมันรู้เป็นขณะขณะถ้ามีความคิดเนี่ยมันจะตัดความคิดทุกครั้งที่เรารู้ ให้มันจบลงที่รู้พอพลิกมือเคลื่อนรู้จบตอนนั้นไม่ใช่ยกมือขึ้นรู้จบั้นนั้นไม่ใช่เอาแค่รู้จบลงที่รู้ตรงนั้นแหละ<ม>คือตัวสติพอรู้แล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วเริ่มต้นรู้ใหม่รู้แล้วทิ้งแล้วก็รู้ใหม่รู้แล้วทิ้งแล้วรู้ใหม่อันนี้มีการเจรติแบบต่อเนื่องเนี่ยลองทำดูสิลองสิมันยากไหม มาทดลองในปัจจุบันนี่เลยอาเป็นไงพอพอจะรู้ทันตรงนี้ไหมพอจะทำได้ไหมรู้ได้ไหมมีรู้ไหมมีรู้ไหมพอรู้แล้วก็ทิ้งไปเลยเริ่มต้นรู้ใหม่ทำผิดไม่เป็นไรทำผิดไม่บาปแล้วก็เริ่มต้นรู้ใหม่ผิดก็รู้ว่าผิดนั่นคือมีสติแล้ว ไม่เน้นท่าสวยนะเน้นให้รู้สึกตัวเวลาเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่าเดินเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปเดินสบายๆอีตอนที่เราเดินไปสุดแล้วตอนที่เรากลับตัวนะสติจะเกิดดีขึ้นมันจะตัดความคิดอีตอนที่เรากลับตัวนะี่แหละเราจะเห็นความเกิดดับอีตอนที่เรากำลังจะกลับตัว เพาสติมันชัดเจนนั่นแหละคือการที่เราฝึกสติรู้กายเคลื่อนไหวใ่ท่านั่งแล้วก็ท่าเดินการรู้ที่ถูกต้องนั้นคือรู้แบบไม่คิดรู้เฉยเฉยรู้แล้วก็ไม่คิดตามนะรู้แบบดูดูรู้แบบดู ด, รบบดูรู้แบบไม่คิดรู้แบบเป็นผู้ดูเนี่ยจิตจะเป็นกลาง อันนี้เรียกว่าวิปัสสนานะทะลุแล้วเพ่งเนี่ยคือสมถะจุดเด่นของการเจริญสติอยู่ตรงนี้นะเวลาเรานั่งยกมือสร้างจังหวะแล้วเราจงกรมเนี่ยพอจิตมันหลงไปแล้วก็มาตั้งรู้ใหม่จิตมันหลงไปแล้วก็มาตั้งรู้ใหม่อันนี้คือจุดเด่นของการเจริญสติเมื่อมันหลงไปเรามาตั้งรู้ใหม่อันนี้คือการ มีสติเป็นจุดเด่นการปฏิบัติพอมันหลงไปอย่าไปเสียใจแหมไม่น่าเลยอย่าไปเสียใจทิ้งเปเลยเริ่มต้นรู้ใหม่อย่าไปเสียใจอย่าไปคิดเนี่ยเริ่มต้นรู้ใหม่แต่ถ้าเรามีการพัฒนาหลงแล้วก็เริ่มต้นรู้ใหม่หลงแล้วรู้ใหม่บ่อยๆเข้านะเวลามันเกิดความคิดเราจะเห็นความคิดก็จะดับอันนี้คือวิปัสสนา ใครเห็นความคิดเกิดดับบางได้ยังเดี๋ยวมันต้องเห็นไม่ต้องกลัวหรอกความคิดมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาดูมเลยเดี๋ยวมันก็ไม้เราเห็นเั่นและความคิดนะ่ะมันเอาเหตุของความทุกข์มาสู่ใจเราเรามีความทุกข์เราหาความสุขไม่ได้เพราะว่าไอความคิดมากของเราเนี่ยนะเราจะต้องฝึกสติอยู่กับการเคลื่อนไหวให้จิตมีกําลังซะก่อน เราก็จะเอาชนะความคิดเอาชนะจิตใจเราได้เรายังต้องมาฝึกสติให้บ่อยๆฝึกให้ชำนาญทำให้เป็นทำให้ถูกต้องซะก่อนการปฏิบัติที่ได้ผลเร็วนั้นคือการทำเหตุแล้วก็ไม่คาดหวังในผลทำเหตุคือการรู้กายเคลื่อนไหวให้ต่อเนื่องกันบ่อยๆเดี๋ยวผลก็จะปรากฏเองอย่าพยายามอยู่นิ่งๆเคลื่อนไหวไว้ เคลื่อนไหวไว้ให้รู้สึกตัวเข้าไว้ไม่งั้นจิตมันเลื่อนลอยไปกับความคิดทําแบบเล่นๆคือการทําแบบไม่คาดหวังในผลหวังผลแล้วมันเครียดทําไม่หวังผลแล้วใจมันจะผ่อนคลายจะสนุกกับการปฏิบัติผมคิดว่าวันนี้ยพวกเราเนะี่ยตั้งใจปฏิบัติกันอีสักวันหนึ่งพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางจิต คอสังเกตดูใหดีนะ <Yeah. S 1> พรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคนที่ปฏิบัติอยู่สม่เสมอเนี่ยจิตมันจะคงที่จะไปตามปกติส่วนการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นก็คือการมีสติมากขึ้นรู้ทันตัวเราเองมากขึ้น <Yeah. S 1> และจะสนุกกับการปฏิบัติได้มีความขยันมากขึ้น ในส่วนนี้จะมีหลายคนแต่ก็อีกเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งคือเปลี่ยนแปลงลงขี้เกียจเบื่อหน่ายต่อแท้อยากกลับบ้านต้องมีนะสองอย่างนีงม้มีแต่เราอย่าไปเชื่อเนี่ยให้เรามีสติรู้ไว้ให้มันผ่านอารมณ์นี้ไปก่อนแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเห็นธรรมะเบื้องสูงขึ้นผมก็หวังว่าทุกทุกท่านเนี่ย คงจะมีการพัฒนาจิตในทางที่ดีขึ้นก็ขอให้ทุกท่านเนได้พบกับความสำเร็จคือการพัฒนาจิตได้สูงขึ้นดังที่เราคาดหวังเอาไว้